วันนี้ก็มากันพอดีนะแน่นๆนั่งสบายๆก็เป็นไปตามตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรแท้แน่นอนจึงไม่ควรมีความสำคัญมั่นหมายว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ ควปล่อยให้เป็นไปตามเหตามปัจจัยคือกับความจริงถ้าอยู่กับความจริงได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้าอยู่กับความจริงไม่ได้ก็จะทุกข์ใจของเราไม่ชอบอยู่กับความจริงใจของเราชอบอยู่กับความฝัน ก็อะไรมักจะพ บ, พบกับความทุกข์อยู่เรื่อยเพราะไม่รู้ธรรมชาติของใจว่าความสุขของใจไม่นอยู่ที่ความพอใจกับความจริงที่ปรากฏขึ้นเรื่อยๆใจถูกความหลงหอกให้เห็นความสุข อยู่ในจินตนาการของตนก็นจะฝันจะเพ้อว่าได้สิ่งนั้นมีสิ่งนี้แล้วก็จะมีความสุขแต่ไม่เคยพิจารณาดูเลยว่า ไ, ได้มาแล้วเมื่อได้เป็นแล้วมีความสุขมีความุีกันมากกว่า ในขณะที่มีความอยากได้มีความอยากได้อยากเป็นก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นกำลังมีความคุบขอยู่แล้วเพราะไม่มีความพอนั่นเองเพใจไม่เคยรู้จักจุดจุดของอินพอก็อยู่ตรง น, นจุด ของความอิ่มพอของใจก็อยู่ที่ความสงบนี้ที่เราฝึกนั่งสมาธิกันนี้ก็เพื่อให้ใจเราได้เข้าถึงจุดอิ่มพอเพียงแต่ว่าสมาธินี้ไม่สามารถจะอยู่ได้ตลอดเวลาอยู่ได้ชั่วะยาะวหนึ่งแล้วก็ต้องถอยออกมา อย่างน้อยก็จะได้สัมผัสรับรู้ว่าจุดของความอิ่มพอนั้นไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆแต่อยู่ภายในอยู่ที่ความสงบของอาจนี้เอ้รพอได้ได้ความสงบนี้แล้วก็จะ รู้ว่าต้องรักษาความสงบนี้ให้ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเท่ากับความสงบอันนี้นั่นเองดังนั้นเวลาออกจากความสงบแล้วถ้ายัางสามารถปฏิบัติต่อได้ก็จะใช้สติคอยควบคุมใจให้อยู่ใน ความสงบนั้นต่อไปแล้วก็ใช้ปัญญามาคอยสอนใจไม่ให้ไปหลงไปอยากกับสิ่งต่างๆเพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วความสงบนั้นก็จะถูกทำลายไปถ้ามีสติมีปัญญา ก็จะดูว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะเอาความสงบต่อไปหรือจะเอาสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะต้องไปลื่นล ม, มไปแสวงหามา ก็จะต้องทาให้ความสงบที่มีอยู่ในใจนั้นหายไปแล้วพอได้สิ่งที่อยากจะได้มานั้นก็จะเห็นว่าความสุขนั้นที่ได้จากสิ่งที่อยากได้ครับความสุขที่เกิดจากความสงบนั้นมันต่างกันมากเหมือนฟ้ากับดินความความสุขที่ได้จากความสงบนี้ มีน้ำหนักมากกว่าความสุขเท่างหลายในโลกนี้แต่นี้เป็นในเบื้องต้นก็เป็นเพียงแต่ความจําได้ไมีได้ยินได้ฟังจากพระธรรมคาสอนที่ทรงตรัสว่าไม่มีสุขใดในโลกนี้ดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบแต่พอเราทําจิตใจของเราให้สงบได้แล้ว เราก็จะเห็นความจริงอันนี้ปรากฏขึ้นมาในใจแล้วเราก็จะรู้ว่านี่คือความสุขที่เราจะต้องสร้างให้มีอยู่เรื่อยๆหรือรักษาให้มีเรื่อยๆแต่เนื่องจากใจนั้นยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของโมหะความเหนื่อพอออกจากสมาธิมาสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสสัตวัพระมาสัมผัสรับรู้กับสัญญาสังขาร ความคิดตรงแต่งความจำได้แล้ว ก, <d> ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมา <d> เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากสัมผัสกับลูกเสียงเกล็ดรดแต่ถ้ามีสติปัญญาคอยควบคุมจิตใจสติปัญญานี้ก็จะสอนใจให้เห็นว่า เวลาเกิดความอยากนี้ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะหายไปแล้วถ้าอยากจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ใหม่ก็ต้องละความอยากให้ได้พอละความอยากได้จิตก็จะกลับเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขของของความสงบต่อไปได้ มันจะเป็นเป็นสิ่งที่จะรู้ด้วยตัวเองเวลาปฏิบัติไปแล้วจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรหลังจากที่ได้ความสงบได้ความสุขจากความสงบแล้วและได้ออกจากออกจากจากสมาธิออกจากความสงบด้วย ถ้าจะรักษาความสุขความสงบนั้นต่อไปก็จะต้องควบคุมไม่ให้ใจกระเพื่อมไม่ให้ไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ด้วยการสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปอยากได้นั้นไม่อยากไม่อยากเป็นนั้นเป็นไ ล, ลัเป็นอริจังคือไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะว่าไปทําลายความสุขที่ได้จากการทําสมาธิพราะพอเกิดความอยากขึ้นมาความอยากนี้ก็จะเป็นต้นเหตุที่จะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามีมรรคคือสติปัญญาสอนใจเตือนใจบอกใจว่า รักษาความสงบไว้นี่แหละดีที่สุดดีกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนีน้ใจก็จะละความอยากได้กลับเข้าสู่ความสงบได้กลับเข้าสู่ความสุขได้ถ้าใจรู้ว่าสิ่งต่างๆที่อยากได้นั้นมันไม่ใช่เป็นของเราและเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับ ให้เขาอยู่กับเราไปได้เสมอเช่นทรัพย์สมบัติ เ, เ, เท่าขอเงินทองต่างๆบางครั้งบางเวลาก็อยู่กับเราได้บางครั้งบางเวลาก็ไม่อยู่กับเราเพราะเขาเป็นอนิจจ์ด้วยคือ เ, เขามีเจรานมีเสื่อมมีเกิดมีดับมีมามีไป การปฏิบัติมันจะหมุนไปเองเมื่อได้ได้สมาธิแล้วก็าปสมาธิมันก็จะเห็นความจำเป็นของการเจริญสติปัญญาเพราะเวลาถ้าไม่เจริญปั๊บนี้ความหนก็จะมารอกให้ไปอยากเสพรูปเสียงกิน่นรสให้ไปอยากเป็นนั่งเป็นนี่เสนนันเราก็จะทำให้เกิดความวุ่นวาย ก่อนความทุกข์ใจตามเาดางนั้นการปฏิบัติที่จะเข้าสูอ่อริยมรรคอริยผลได้นี้ต้องผ่านการมีสมาธิมาก่อนถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะไม่เห็นความแตกต่างของความสุขที่เกิดจากความสงบกับความสุขที่ได้ จากเสียงต่างๆเช่นลูกเสียงกินรสกับสภาก็จะหลงติดอยู่กับลูกเสียงกินรสของสพาแต่พอทำสมาธินั่งสมาธิทำจิตให้สงบได้แล้วก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างความสุข 2. ชนิดนี้คือความสุขที่เกิดจากความสนุกกับความสุขที่เกิดจากลูกเสียงกินรสกับสภา ความสุขที่เกิดจากการได้ลามยกสรเสริญมาเมื่อถึงตอนนั้นแล้วก็จะรู้ว่าจะต้องรักษาความสุขภายในใจให้ได้ mm. ก็จะคิดออกหาประานที่สมุงบิเวกเพื่อที่จะได้ จะเราดรักษาความสงบนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องให้ได้อย่างตลอดเวลาเพราะถ้ายังอยู่กับในสภาพสิ่งแวดล้องที่ไม่สงบนั้นก็จะทำให้ความสงบนั้นอยู่ไม่ได้นานก็ะจะถูกของยุ่วยนกวนใจต่างๆมาคอย ล่อมอคอยล่อให้เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาด้วยเองดังนั้นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความสุขภายในใจที่ถาวร น, นี้จึงมักจะต้องติดเว้วไปอยู่ตามลำทางังเพื่อที่จะได้สร้างความสุขภายในใจนี้ให้เป็นไป อ, อย่างต่อเนื่อง และเป็นอย่างถาวรต่อไปได้ถ้าอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่สงบนั้นก็จะทำยากดังนั้นผู้ที่ต้องการความสุขที่แท้จริงก็ต้องพยายามนั่งสมาธิทำใจให้สงบไปได้ อันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นเป้าหมายแรกหรือความจริงเป็นเป้าหมายที่สองเพราะก่อนที่จะได้สมาธิคือความสงบนี้ก็ต้องมีสติก่อนสตินี่จึงเป็นเหมือนเป็นเป้าเป้าหมายแรกถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปใจก็จะคิดคุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สงบแต่ถ้ามีสติ ก็จะสามารถดึงใจไว้ไม่ให้คิดคุ้งซ่านได้ให้ใจอยู่กับการบริกรรมพุทธโธพุทธโธได้หรือให้อยู่กับการดูลมเข้าออกอย่างต่อนเนื่องได้โดยไม่เผลอไปคิดเรื่องต่างๆถ้าใจจดจ่ออยู่กับกรรมฐานคือการบริกรรมพุทธโธหรือการดูลมหายใจเข้าออก อย่างต่อเนื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่นาน5นาที10นาทีเหตุก็เข้าสู่ความสงบได้แต่ต้องมีสติสตินี้จึงเป็นงานที่สำคัญอย่างมากต่อการเจริญสมาธิและต่อการรักษาความสงบสุขของสมาธิ หลังจากออกจากสมาธิด้วยการเจริญปัญญาดังนั้นเป้าหมายแรกของผู้ปฏิบัติจึิงอยู่ที่การเจริญสติแล้วก็ต้องทำอย่างจริงจังต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดตอนเพราะเวลาใดที่ขาดตอนไม่ตั้งสติเวลานั้นก็จะเสื่อมสติแล้วก็จะ เสมอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบางทีเป็นเวลาหลายช่วโมงเลยทีเดียว<ม>กว่าจะมารู้สึกตัวคิดว่าวันนี้ไม่ได้เจริญสติเลย<ม>วันนี้คุ่งส่านทั้งวันดัน<ม>ั้นต้องพยายามควบคุมสติเจริญสติให้ได้การเจริญสติก็คือการควบคุมใจนี้ไม่ให้ไป คลิดเรื่องต่างๆไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็มีร่างกายนี้แหละที่เป็นปัจจุบันใจถ้าถ้าอยู่กับร่างกายก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันหรือจะใช้การบริกรรมคุโทโธก็ได้หรือจะใช้บทสวดมนต์ก็ได้ อย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นปัจจุบันอยู่ถ้าใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งของสติก็ต้องเฝ้าดูร่างกายทุกエリยาบบตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะลุกนี้ใจก็ต้องเฝ้าดูที่ร่างกายว่ากาลังทาอะไรอยู่เช่นกำลังนอนอยู่และกำลังจะลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมายืน เดินไปทำกิจต่างๆก็ต้องอยู่กับร่างกายตลอดเวลาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการมีสติซึ่งเราสามารถทำได้ตลอดทั้งวันถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าจะให้ใจนี้ อยู่ที่ร่างกายตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วเราก็พยายามทำไปถ้าอยู่คนเดียวได้มันก็จะทำให้ง่ายกว่าอยู่หลายคนเพราะเวลาอยู่หลายคนนี่เดี๋ยวถูกคนอื่นดึงใจไปเขาทำนู่นทำนี่พอเราเห็นเข้าเราก็อดวิาพากษ์วิจารไม่ได้ เพราะวิภากษวิจารณ์นี้ก็แสดงว่าเราออกจากร่างกายออกไปไปที่นูน่นนะไม่ได้อยู่ที่นี่นะแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี้ก็จะไม่มีอะไรมาฉุดลากให้ไปจากร่างกายของเราอย่างนั้นในชีวิตของผู้ที่ยังต้องมีภารกิจการงานต่าง จ็งเป็นการยากที่จะเจริญสติให้เข้าอยู่ร่างกายของตนได้ตลอดเวลาเพราะจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆก็จะต้องออกไปจากร่างกายพอออกไปแล้วก็จะเกิดการวิาพากษ์วิจารณ์คิดพิจารณาไปต่างๆนานาแล้วก็ พาไปสู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปโดยไม่รู้สึกตัวดังนั้นถ้าต้องการที่จะปฏิบัติให้ได้ผลนี้จึงจำเป็นที่จะต้องเลรดมิวเวต้องยอมสละสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้เพื่อที่จะได้ไป สร้างสิ่งที่ดีกว่าจากการไปเกิดในเวทไปอยู่ตามลำพั ง, งไปเจริญสติสลับกับการนั่งสมาธิเวลาที่ต้องทำภารกิจอะไรที่ต้องใช้ร่างกายทำก็ให้เฝ้าอยู่ที่การเคลื่อนไหวหการกระทำของร่างกายพอไม่มีภารกิจอะไรที่จะทำก็ให้นั่งสมาธิ เพราะว่าการความสงบนี้จะต้องต้องให้ร่างกายสงบก่อนร่างกายต้องอยู่เฉยๆหลังจะทำจิตให้สงบได้ถ้าร่างกายยังเคลื่อนไหวอยู่นี่จิตจะไม่รวมลงเข้าสู่สมาธิได้อย่างมากก็คือมีสติประทับประคองใจไม่ให้ไปคิดฟุ้งซ่านไม่ให้ไปที่นั่นที่นี่ไม่ให้ไปอดีตไปอนาคต แต่พอได้นั่งแล้วหลับตานี้ก็จะทำให้ใจอยู่กับกรรมฐานอย่างไดอย่างหนึ่งได้อย่างต่อเนื่องและจะเข้าสู่ความสงบได้ยงนงลำบักต่อไปนช่นดูลมหายใจเข้าออกก็ดูที่ปลายจมูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้ท่านี้ลมหายใจแต่ยาวหรือเจาละเอียด ก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องบังคับรมหายใจจะสั้นหรือจะยาวก็ปล่อยเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาไม่ต้องไปบังคับเราต้องการใช้ลมเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดติดของจิตใจเพื่อจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบธรรมหรือถ้าไม่ไม่ชอบการใช้ลมหายใจเข้าออก ชอบการบริกรรมพุทโธก็ให้บริกรรมพุทโธไปให้มีสติจดจ่อรู้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็ระมัดระวังไม่ให้เถอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ายัางเถอคิดได้ก็อาจจะต้องบริกรรมให้ให้เร็วขึ้นให้ถี่ขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่ แล้วแต่ภาวะของจิตของผู้ปฏิบัติและจริตของผู้ปฏิบัติบางครั้งเวลาที่จะเริ่มภาวนานี้เวลาจะนั่งสมาธินี้จิตจะหมุนเร็วคือจะคิดมากจะให้อยู่กับลมบางทีก็ไม่ยอมอยู่จะให้อยู่กับพุทโธก็ไม่ยอมอยู่บางทีก็ต้องใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปเรื่อยๆ สวดมนบทที่เราจําได้คือไม่ต้องเปิดดูหนังสือไม่ต้องใช้ตาไม่ต้องใช้สายตาให้นั่งอยู่ในท่าขัดสมาธินั่งแหละแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจเหมือนกับเราทําสมาธิเหมือนกับเราบริกรรมพุโทโธแต่แทนที่จะบริกรรมพุโทโธที่เราทําไม่ได้เพราะความคิดชอบแทรกเข้ามาเราก็ใช้การสวดมนต์ไปสวด阿รหังสมมาสวาขาโตสุปฏิปโนสวด บทไหนก็ได้ที่เราจาได้ตรวจไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกเหนื่อยหรืออยากจะหยุดสว่อมก็แสดงว่าความคิดปุ่งแต่งก็นั้นเริ่มหมดกำลังแล้วเราก็อาจจะสามารถนั่งดูลงต่อไปได้เราก็ลองดูลงไปหรือพุโทโธไปคำเดียวก็ได้พุโทโธพุทโธไปนี่คือภาวะ ของจิตเวลาเริ่มต้นนั่งนี้เนื่องจากเราไปทํานู่นทํานี่มาก็ทําให้เรายังติดค้างอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลามานั่งมันก็ยังกลับไปในอดีตกับเรื่องที่เพิ่งผ่านมากับเรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาพุทโธมันก็จะไปคิดอย่างนั้นเรื่องนี้นนต่อเวลาดูลมมันก็ยังจะกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่ออย่างนั้นก็ควรที่จะใช้การสวดมนต์ สรวจไปไเรื่อยๆจนรู้สึกว่ามันไม่คิดเรื่องอะไรแล้วเราค่อยหยุดแล้วก็มาอยู่ลมหายใจต่อแล้วก็จะทำให้จิตอยู่กับลมหายใจได้แล้วก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าไปได้ต่อไปพอเราได้สมาธิแล้วเราก็จะได้สัมผัสกับความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลาย ที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งจากเราไปได้ทรัพย์สมบัติเร้าของเงินทองนี้ยังถูกยึดได้ยังถูกขโมยไปได้แต่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่มีใครมายึดไปได้ไม่มีใครขโมยไปได้ถ้าเราสามารถทําได้แล้วเราก็จะสามารถทําไปได้เรื่อยๆ ในเบื้องต้นนี้ก็อาจจะแบบได้บ้างไม่ได้บ้างเนื่องจากยังไม่ชำนาญเนืน่องจากสติยังไม่ต่อเนื่องบางวันไหนสติต่อเนื่องวันนั้นก็จะสงบได้ง่ายวันไหนที่สติไม่ต่อเนื่องวันนั้นก็จะสงบได้ยากหรือไม่สงบเลยก็มีได้ครับแต่แต่เวลาเราปฏิบัติก็อย่าไป มีควาสมสำคัญมั่นหมายว่าทุกครั้งที่นั่งแล้วจะต้องสงบเหมือนครั้งก่นครั้งนี้อาจจะสงบก็ได้อาจจะไม่สงบก็ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้เราพยายามทําต่อขอให้เรายึดหลักของสตินี้เป็นหลักก็แล้วกันถ้าเราไม่สงบก็แสดงว่าสติเราไม่ค่อยมีกําลังหรือจิตเราไปผูกพันกับเรื่องต่างๆม า, มามาว่า ก็เลยทําให้ฟุ้งทําให้ทําผิดให้สงบดีญบางวันสติดีหรือไม่มีรเรื่องฟุ้งซ่านเข้ามาเกี่ยวข้องเวลานั่งก็จะสงบได้ข้อสำคัญ ก, ก็คือเราต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าจะให้ได้ผลก็ควรจะเอางานปฏิบัติอย่างเดียวเช่นเช่นนักบวชทั้งหลาย อางานปฏิบัติเป็นงานหลักแล้ว ง, งานดูแลอักตภาพร่างกายเป็นงานรองเช่นพระท่านตอนเช้าก็ออกเดินตะบาตแล้วก็กลับมาฉันฉันเสร็จล้างบาศเสร็จท่านก็กลับไปที่พักไปเดินโยกผมนั่งสมาธิจนถึงเวลาบา่ายปัดกวานน่าฉันยามปัญะแล้วก็สองยามเสร็จแล้วก็กลับเข้ากรงเดินโยกผมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาพัก ตอนประมาณ 4-5 เห้าทุ่มตื่นตอนที2องตีสามตนขึ้นมาก็เดินไปบนนั่งสมาถถี่สลับกันไปจนถึงเวลาออกบินตา่างนี่แหละคือการภางนาหรืการปฏิบัติของนักปฏิบัติต้องปฏิบัติแบบนี้ถึงจะได้ผลเป็นกอกเป็นกรรันแต่ถ้าปฏิบัติแบบการวะ ญ, ญาติโยน เช้าต้องออกไปทํามานเกินทํางานทําการเย็นก็นจะกลับมาบ้านก็ข้ามหรือบางทีติดงานเลี้ยงติดธุระอื่นก่อจะกลับมาบ้านก็หยุด ก, ก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติก็จะปฏิบัติก็ไม่มีกําลังเหนื่อยหมดแรงดังนั้นเพศคารวาส้จึงไม่เอื้อต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน แต่ก็ไม่ปฏิเสธสำหรับบางคนบางท่านที่เป็นกรณีพิเศษคือมีฐานะการเงินที่ดีที่พร้อมไม่มีความจำเป็ น, ปนที่จะต้องไปทำงานหากินทำงานทำการและมีที่ที่สงบอยู่ตามลาพังก็ยัง ก, ก็สามารถที่จะปฏิบัติแบบนักนักปฏิบัติแบบนักบวชได้คืออยู่ในบ้านอยู่ในที่ของตน ตื่นมาก็เดินเตผมนั่งสมาธิจนก็อาจจะเป็นวา่ารับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จก็เดินไปผมนั่งสมาธิต่อความไปนี้ทั้งวันทั้งคืนแนี้ก็มีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพาได้เพราะผลนี้มันเกิดจากเหตุคือการปฏิบัติเท่านั้นที่ท่านแสดงไว้ก็คือสุ ป, ปฏิปันโนอุจุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโน สามีจิปฏิปันโนนี่ลคือเหตุที่จะทำให้เกิดขึนข้นลาผู้ที่ปฏิบัติเห่านีน้ท่านสิงนกายเป็นพระอริยสงสาวกเป็นสังฆรัตานะที่พวกเราน้มนึกถึงในในพระสังฆ ค, คุณที่เราสวดกันสุปฏิปันโนอุจุยาวะสามีจิปติปันโนรัน แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นนักบวชเป็นพระอย่างเดียวเป็นชายอย่างเดียวเป็นได้ทุกเพศทุกวัยในสมัยพระพุทธการ ก, ก็ปรากฏมีผู้ที่เป็นสุปฏิปันโนทุกเพศทุกวัยมีทั้งนักบวชมีทั้งข่าววานมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อยู่ที่การปฏิบัติสุปฏิปันโนนี้คือการเจริญสติ ตั้งแต่เป็นจนหลับสลับกับการนั่งสมาธิแล้วพอออกจากสมาธิก็ให้เจริญปัญญาให้รักให้รักษาความสงบที่ได้จากสมาธิด้วยการพิจารณาหรือใช้สติคอยเฝ้าดูใจว่ากำลังจะกับเพื่อขึ้นมาด้วยความอยากหรือไม่ถ้ากับเพื่อขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัด ไปสอนไม่ให้ปัญญาได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราควบคุไมได้และความอยากได้สิ่งต่างๆนั้นจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาจะทำลายความสงบที่ได้จากการนั่งสมาธิมานี่คือหน้าที่ปัญญาหลังจากที่ออกจากออกจากสมาธิมาแล้ว จะต้องใช้ปัญญาถ้าใช้สติตดูแล้วก็ใช้ปัญญาถ้าไม่มีอะไรมารบกวนมาสร้างความอยากให้กับใจเคยใช้ปัญญาพิจารณาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตซึ่งความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ต้องพิจัญญาว่าร่างกายนี้เกินแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัฒนาจากกัน หรือถ้ามีการอารมณ์ยังติดอยู่กับการอารมณ์ก็ต้องพิจารณาอสุภะศี า, าความไม่สวยงามของร่างกายเพ่นดูว่าเวลาร่างกายตายไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีลักษณะอย่างไรท่กศพเป็นอย่างไรถ้าเห็นท่าศพแล้วก็จะไม่มีก็จะรดับการอารมณ์ได้หรือจะดูอาการส2ของร่างกายก็ได้ เราเพียงเห็นเพียง5้าอาการเป็นเป็นหลักคือเห็นแต่ผมขนเล็บฟันนันแต่ภายใต้ผิวหนังนี้เรามองไม่เห็นกันเราก็ต้องใช้ปัญญาทะลุเข้าไปทะลุผิวหนังเข้าไปต้องพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูกกระดูกตั้งแต่ศรีรษะลงไปจนถึงเท้เททามีกระดูกอยู่แต่ร่างกาแล้วพิจารณาอวัยวะต่งาง เช่นหัวใจตับปอดําไส้น้อยนาไส้ใหญ่เยื่อในสมองศีรษะน้ําต่างๆที่มีในร่างกายน้ำเสลดน้ําดีน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหนือน้ํามันข้นน้ําตาลน้ํามันเหลวน้ําลายน้ํารูดน้ําไข่ข้อต้นต้นก็ท่องท่องชื่อไปก่อนก็ได้นาชื่อไปก่อนแล้วทานต่อไปจำนึกถึง อาการต่างๆของชื่อขเรานั้นก็ได้ถ้าไม่เคยเห็นก็ไปเปิดดูหนังสือที่ที่มีภาพต่างๆให้ดูภาพที่เขาผ่าศพอย่างนี้เป็นต้นหรือภาพที่นักศึกษาแพทยใช้ศึกษาอาวัยวะต่างๆของร่างกายให้ดูให้ติดตาติดใจเวลาที่เราเห็นใครเราจะได้เห็นครบอาการสามไม่เห็นเพียงแต่5อาการ คือผมขนและฟันหนังเพราะถ้าอาการนี้สามารถหลอกให้เกิดเกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้เพราะจะมีการปรุงแต่งมีการา ม, มีการฟั้นให้เกิดดูว่าสวยว่างานแต่อาการภายในนี้หลอกไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้เพียงแต่มีหนังปิดกัน้นตาหยาบได้แต่ไม่สามารถ ปิดกั้นตาละเอียดคือปัญญาไนดะ้ถ้าเราเจริญปัญญาเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆต่อไปก็จะมีปัญญาเห็นสลุกุโกกพอเห็นแล้วก็จะไม่มีการมาลงหรือมีก็จะดับ ท, ทันทีเพราะการมาลงนี้ก็เป็นความอยากอยาก่างนกที่จะไปทําให้จิตใจนั่งกระสับกระส่ายกระวนกวาย เหดยดําคาญใจไม่มีความสงบไม่มีความสุขแล้วถ้าไปเสดตามความอยากก็จะติดแล้วก็จะไม่ไม่ได้พบกับความสุขของความสงบกลับจะเจอความทุกข์ก็จะทุกข์ในขณะที่อยากจะเสดและทุกข์ในขณะที่ไม่ได้เสดเวลาเกิดความอยาก จะสงบตัวลงก็เพียงขณะที่ได้เศษเท่านั้นแต่ก็สงบเพียงไม่นานเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาอีก ต, ตอนนี้มีธรรมชาติมาขอให้พักฉันน้ำราคัางพูดไปเดี๋ยวก็ฟังรม่องเรื่อง